2. การตามดูจิตวงเล็บเปิด 5. มีนาคม2 5 5 0จุดจุดนาที23วงเล็บปิดการที่เราภาวนานเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงสภาวะนะคนส่วนใหญ่เนี่ยสติช้าก็เลยพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงในขณะที่มันไม่ช้าจริงแต่ว่าถ้าเรามีสติจริงๆขึ้นมาเราจะเห็นสภาวะตามที่เขาเป็นจริงๆคือเขาเกิดดับทียิบเลยเราก็จะตามรู้ไปอย่างคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเคยได้ยินใช่ไหมครูบาอาจารย์ชอบสอนบอกว่าเหมือนดูละครดูกายดูใจเล่นละครไปนะสังเกตไม่ว่าเขาเล่นละครของเขาได้เองไม่ใช่เราเล่นแต่เดิมเราเล่นนะเราลงไปแทรกแซงเขาเราเป็นผู้กำกับไม่ใช่ผู้ดูเราคอยเข้าไปกำกับมีการบอกบทด้วยนะ แต่ถ้าใจมันพูดเองไม่เป็นอะไรเพราะมันห้ามไม่ได้สังเกตไหมว่าแค่นี้เราก็เริ่มเห็นไตรลักษ์แล้วจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี่แสดงไตรลักษ์จิตบังคับไม่ได้เขาจะพูดเขาพูดของเขาเองเดี๋ยวเขาก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเขาเกิดแล้วก็ดับของเขาเองต่อไปพอเราเห็นสภาวะอย่างนี้จนจิตมันจะแจ้งขึ้นมาเองมันถึงจะสรุปออกมาเอง การดูจิตรู้ลงปัจจุบันไม่ได้แต่กายรู้ลงปัจจุบันได้นะกายสุดท้ายลงปัจจุบันได้แต่จิตนี่เป็นการตามรู้ตลอดสายเพราะอย่างในขณะที่จิตหลงจิตมีโมหะเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านในขณะที่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลจิตจะมีสติไม่ได้แต่เสร็จแล้วมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งและลึกขึ้นได้ว่าจิตดวงที่ดับไปสดสดร้อนๆอนเนี่ยมีอกุศลมีโมหะ มันคือการตามดูนะตัวนี้ในภาษาประยัติเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติจะไม่ใช่ปัจจุบันแท้เพราะจิตเกิดชั่วขณะหนึ่งก็ดับไปแล้ว